Book 2ูเจ็ดสิบเก n a s a ื้อหาในสี่สิบหกคำคุณศัพท์สองไปฟุ่มเฟือกน้องวัว e ดอตัวดิฉันสวมชุดสีฟ้าเอล ดิฉันสวมชุดสีแดงดิฉันสวมชุดสีเขียวดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีดำดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาล ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาวดิฉันต้องการรถคันใหม่ดิฉันต้องการรถความเร็วสูง ดิฉันต้องการรถที่นั่งสบายเ k h e ิตอันงอมัตต์เลกเกอร์มูผู้หญิงชราอยู่ชั้นบน Daar b o วว o ว n เออเฟรว์ผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบน Daar b o วว o ว n เอดักเฟรผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง s Daar e een ่อ i g e ววัวน์อันนสกิร์ก์หญิงสาวแขกของเราเป็นกันเองแขกของเราเป็นคนสุภาพแขกของเราเป็นคนน่าสนใจ ดีดิฉันมีลูกที่น่ารักแตแต่เพื่อนบ้านมีลูกซน่อเลูกลูกๆของคุณเป็นเด็กดีไหมคะอ